ท่านฟังคะท่านกำลังฟังรายการสรนนิษฐานาดิฉันสันนิษฐานาพงษ์ดำเนินรายการนะคะมีท่านผู้ฟังอยู่ท่านหนึ่งได้เขียนมาคงจะโทรเข้ามาคะ่ะแล้วก็มาฝากเอาไว้ที่ทางสถานีวิทยุที่ 02269-0006 นะคะว่าสนใจอยากทําบุญหนังสือจะต้องทําอย่างไรคือหนังสือที่นํามาแจกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นการจัดทํา มาจากทางคณะสิทธิ์ของวัดนาปราพงศ์ของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลนะคะดังนั้นถ้าท่านใดสนใจที่จะสร้างหนังสือเนี่ยรบกวนจดเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้ก็แล้วกันนะคะท่านเป็นโยมที่นั่นคือคุณสรชาสสาราสล า, า ล, ลเรือชอช้างสระอาหมายเลขโทรศัพท์081 513 1611ค่ะ081 5131611ก็ดีนะคะการสร้างหนังสือนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการที่ให้ทำเป็นทานนะคะช่วยคนอีกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวให้มีโอกาสได้เข้าถึงและเผื่อว่าเขาอาจจะมีโอกาสที่จะไปเจริญในธรรมตามลำดับจนสุดท้ายอาจจะถึงขนาดที่บรรลุธรรมหลุดพ้นไปเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นกุศลอย่างยิ่งสำหรับคนที่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะทากุศลอย่างนี้ มาถึงช่วงเวลาที่จะพบกับพระอาจไพบูญณนี่ยพีปุณโญ น, น, นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้นําชื่อมาจากพุทธวัจนะคือชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะนะคะน้ัสการค่ะท่านอาจารย์ค่ะเมื่อาวานนี้ว่ากันไปด้วยเรื่องของเกี่ยวกับการปฏิบัติธรร ม, มว่าอาณาปานาสติกับสติปัฏฐานเนี่ยต่างกันหรือไม่อย่างไรก็สรุปว่าเหมือนกันทีนี้มาถึง วันนี้นะคะไปอ่านมาในหนังสือขวัญเรือนเป็นบทความที่เขียนโดยภูเตสวนที่ฉันก็ว่าน่าสนใจดีคือท่านเนี่ยได้พูดถึงสมาธิในชีวิตประจำวันแล้วก็บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำในแต่ละวันเนี่ยถ้ามีจิตและสติระลึกรู้แล้วก็พิจารณาอย่างมีสติสัมปชัญญะเท่ากับปฏิบัติธรรมแล้วก็อ้างโบราณจารว่ากล่าวเอาไว้ว่าอะไรก็ตามที่เรายกมา เป็นหัวข้อมาตั้งคำถามแล้วก็ตรึกตรองคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะจนจิตสงบเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้กล่าวถึงว่าหลวงพ่อพุธนะคะก็เคยพูดถึงว่าคนเรียนหนังสือเนี่ยไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือกลับมาไปถึงที่พักให้วิตกวิจารณ์ถึงวิชาที่เรียนมาคิดทบทวนความจําคิดไปคิดมานึกไปอย่างนั้นด้วยความตั้งใจผลก็คือผู้ปฏิบัติอย่างนี้มีสมาธิแล้ว สามารถเรียนหนังสือเก่งและก็พูดมาถึงแม่บ้านแม่เรียนทั้งหลายนะคะว่าแม้กระทั่งปัญหาครอบครัวไม่ลงรอยกันกับพ่อบ้านนะคะอันนี้ดิฉันพูดเองพ่อบ้า น, นก็ให้พยายามยกปัญหามาถามตัวเองว่าเรานบกพร่องอะไรผิดตรงไหนถ้าเรามีสติยับยั้งถามตัวเองสักนิดจะได้ความรู้ที่แท้จริงขึ้นมาสําหรับแก้ปัญหา <c oughs> <ๆ>ก็มาถึงบทสรุปนะคะว่าการนั่งภาวนานี้ นะคะมันก็เป็นการปฏิบัติก็จริงแต่ว่าในการที่จะภาวนาเพื่อให้ได้สภาวะธรรมทําในอิธิยาบทไหนก็ได้ทําในอิรียบทไหนก็ได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อันนี้มีส่วนถูกต้องอยู่พระพุทธเจ้าพูดถึงอิริยบทในการทําความเพียรจะยืนเดินนั่งนอนนะขอให้มีสติในการยืนเดินนั่งนอนสติในอะไรสติในกายก็ได้สติในเวทนาก็ได้ในจิตก็ได้ในธรรมก็ได้ หรือพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้บอกว่าเธอจงมีสติอย่างมีสัมปชัญญะมีสติอย่างมีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่ไงเธอให้มีรู้ตัวนะให้รู้ตัวคือมีสตินะอย่างรอบครอบในการก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังแลดูเลี้ยวดูการกู้การเหยียดการทรงสังคติบาจีวรดื่มกินฉันเข้าห้องน้ําการนอนการยืนการเดินการพูดการนิ่งทุกเอเรียบท เขาเรียกว่ามีสติอย่างมีสัมปชัญญะส่วนใหญ่เรามักจะได้ยินคำว่าสติมักจะติดมากับสัมปชัญญะโดยอัตโนมัติถ้าเป็นภาษาที่เรากล่าวกันอยู่ในทุกวันนี้แต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงแยกแยกให้เห็นนะคะว่าให้มีสติอย่างมีสัมปชัญญะดิฉันว่าเราคนไทยนะย่าจะท่องไว้ใช้เลยนะคะว่าให้รู้ตัวอย่างมีความรอบคอบให้ใมีสติ อ ย, อย่างมีสัมปชัญญ ะ, ะ, ะอันนี้เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกกันว่าพุทธวจะนะและถ้าเปนในรายการนี้ก็ต้องบอกว่าพุทธวจะนะทำวินัยจากพุทธโอษนะคะระ บ, บุไว้ชัดเจนเลยว่าทุกอิริยาบถสามารถถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมได้ตแต่ต้องรู้ตัวอย่างมีความรอบคอบหรือมีสติอย่างมีสัมปชัญญะท่านอาจารย์คะทีนี้พอมาถึงกรณีที่เขายกตัวอย่างเนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ มีปัญหาไม่ลงรอยกันกับสามีเนี่ยออืนะคะแล้วก็ยกปัญหามาถามตัวเองว่าเราบกพร่องอะไรเราผิดตรงไหนอืมันจะได้ความรู้แท้จริงที่เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมในการแก้ปัญหาจริงหรือนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะเวลามันมีปัญหากันอันนี้เป็นธรรมชาติของคนนะคะไม่ค่อยมาถามแบบว่าเราทําผิดอะไรก็ต้องคิดว่าที่นี่มันทําผิดอีกแล้วเมื่อไหร่จะเลิกทาผิดสัทีค่ะเอ พระพาบออานี้บอกว่าถ้าเธ อ, เอมีผัสสะเอากรณีก่อนอกรณีแรกก่อนนะคือผู้ที่โกรธกับสามีหรือมีปัญหากับพ่อบ้านเนี่ยเจอผัสสะที่ไม่ชอบใจใช่ไหมพอเจอผัสสะที่ไม่ชอบใจทําให้เกิดเวทนาที่ไม่ชอบใจทุกเวทนาพอทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยพระพุทธบอกว่าเธอผู้เป็นผู้มีสัมปชัญญะเนี่ยคือเวทนาเกิดขึ้นก็แจ่มแจ้งเวทนาที่เข้าไปตั้งอยู่ก็แจ่มแจ้ง เวทนาที่ดับลงก็แจ่มแจ้งความคิดในะเวทนานี่คือความรู้สึกถูกปะ่ะชอบไม่ชอบเฉยเวิตกคือความคิดความคิดที่เกิดขึ้นกับเธอก็แจ่มแจ้งตั้งอยู่ก็แจ่มแจ้งดับลงก็แจ่มแจ้งพอคิดว่าเอ้ยเขาไม่ชอบเราอย่างนั้นอย่างนี้เราผิดตรงไหนปุ๊บพระเจ้ายังบอกอีกว่าสัญญาเกิดขึ้นแก่เธอก็แจ่มแจ้งสัญญาตั้งอยู่แก่เธอก็แจ่มแจ้งดับไปก็แจ่มแจ้งสัญญาก็เรามาคิดถึงเรื่องภายหลังว่าโอ้เมื่อก่อนมีความสุขอย่างนี้ ทำตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ดีนี่คือสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับลงเห็นแค่เนี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงเนี่ยจะเกิดอะไรคนที่เห็นอย่างนี้นะจะเป็นผู้ที่มีสติ ค, ค, คนจะมีสติได้เนี่ยต้องเห็นอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นแทนที่คนที่จะทํางี้มีสติอย่างนี้เนี่ยเขาจะไม่โทษคนอื่นไงจะดูที่จิตตัวเอง ไอ้จิตเราเกิดอะไรเฮ้ยจิตเราเกิดความรู้สึกนี้ฮหโอเคดับไปความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวมันดับไปอันเดวมันเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่ว่าเขาจะไปโทษคนอื่นเนี่ยจะไม่มีเพราะว่าเขามีสติคุมอยู่อันนี้หมายถึงว่าถ้าคิดแบบวิชาพระพุทธเจ้าใช่ไหมค ะ, คะแต่ถ้าคิดแบบคนธรรมดามันก็อาจจะเป็นการต้องหาเหตุผลทางด้านของคนอื่นด้วยเหมือนกันอืใช่ไหมคะอันนี้คิดคิดแบบโลกโลกเนะี่ยมันก็ต้องมองว่าเราผิดอะไร ิดอะไรก็นั่นไงเราถูกผัสสะทางตาทางหูเนี่ยดึงไปแล้วค่ะคนที่ถูกผัสสะทางตาทางหูดึงไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่มีเสาเขื่อนเสาหลักคือกายคตาสติไม่มีสติถูกเขาดึงเขาลากไปเพลินไปในผัสสะนั้นไหลไปตามผัสสะนั้นพอไหลไปตามก็ไปคิดเรื่องอกุศลฉันไม่ดีอย่างนี้แน่นอนเลยพ่อบ้านมันต้องไปทําให้นี่แน่นอนเลย คิดเปเรื่องอกุศลไปแต่ถ้าคนมีสติเนี่ยจะมีสติอยู่ในอะไรก่อนก็มีสติอยู่ในกายก่อนในความรู้สึกก็ได้สติว่าอะไรโอ้มันก็นี่ไงพระพุทบอกว่าเกิดขึ้นก็แจ่มแจ้งตั้งอยู่ก็แจ่มแจ้งดับลงก็แจ่มแจง้งค่ะคือตรงนี้อาจจะฟังยากหน่อยเอาเบสิกง่ายๆ่ปฏิบัติง่ายๆก็คือว่าดูลมหายใจดูลมหายใจอย่าไปคิด อ, อย่าไปโทษคนอื่นดูเข้าหาตัวเองจิตเราเป็นยังไงรักษาจิตของเราด้วยสติ ดีที่สุดพูดถึงว่าถ้าอยู่กับลมหายใจตัวเองมันก็เหมือนกับว่าไอความรู้สึกที่ไม่ดีขนาดนั้นมันจะถูกยับยั้งตัดไปเพราะว่าจิตเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วจิตเรามารู้อยู่กับลมหายใจแค่วินาทีนั้นเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วนิดหนึ่งค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นจิตมันมีสมาธิพออยู่นานๆเข้าใช่ไหมคะการคิดใคร่ครวนอะไรโดยจิตที่ตั้งมั่นดีแล้ว การแก้ปัญหามันจะออกมาได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันกําลังกราบเรียนถามท่านหรือเปล่าเคาว่าเท่ากับเหมือนกับว่าเราได้ปฏิบัติธรรมสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วถ้าเราคิดออกณนะวินาทีนั้นเลยวินาทีนั้นนะคะแล้วคนที่สามารถอดทนต่อผัสสะที่ไม่ชอบใจได้เนี่ยนะสมมุติใครด่าใครว่าด้วยถ้อยคอยําหยาบคายร้ายกาศมาเข้าหูปับ๊บเราอดทนได้คนที่อดทนได้บ่อยๆ อ, อดทนได้มากๆอดทนได้เป็นประจำจะเป็นผู้ที่ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิด้วย แล้วผู้ที่ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเจ็ดเหตุปัจจัยที่ทําให้เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนองั้นคนจะมีคนบางประเภทอที่บางครั้งเราเองก็ยังอยากเป็นเหมือนกันนะคะเราก็มีความรู้สึกแหมเราก็เป็นคนดีมาตลอดเลยนะ่เราก็มีความอดทนมาตลอดอแต่ว่าหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมกับเราเลยออื ม, มันเหมือนถูกลังแกฉันทนมามากพอแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่ทนอันนี้เป็นความรู้สึกคนธรรมดาเลยนะคะนี่ไงพระพุทธเจ้า <c oughs> เลยบอกอย่างนี้บอกว่า คือภาษาที่มากระทบเนี่ยภาษาที่มากระทบเนี่ยาบางคนสามารถทนได้เท่านี้ทนได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นแรงกระทบที่เราทนเนี่ยจึงจึงมากมากน้อยต่างกัน <คะ S 1> เพราะฉะนั้นพอมากน้อยต่างกันเนี่ยมันจึงต้องอาศัยการฝึก<ห>เพราะฉะนั้นการมามีเวลานั่งสมาธิหลับตาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันจึงเกิดประโยชน์ตรงนี้เป็นการฝึกตัวเองไว้ก่อนที่จะไปเจอภาษาที่มากมายจนเรารับได้หรือไม่ได้ค่ะก็เท่ากับว่า พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความอดทนว่าอย่างไรนะคะขอเป็นคําที่เป็นพุทธวจนะอีกสักครั้ง ท, ที่ท่านพูดว่าผู้ที่อดทนได้ต่อภาษาทั้งหลายนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นผู้ที่ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิความอดทนนี่นะเป็นคุณสมบัติในหนึ่งของบุรุษผู้เป็นอาชานัยด้วยนะบุรุษผู้อาชาในาเนี่ยคือสามารถอดทนได้ต่อภาษาทั้งหลายทีนี้อันนี้สงของการอดทนมันจะทําให้เกิดอะไร สรุปให้ฟังพระเจ้าบอกว่าจะทำให้เป็นผู้ที่ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิผู้ที่ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิเป็นเหตุจะทำให้เกิดผลก็คือเป็นผู้ที่ฉลาดในวารจิตแห่งตนผู้ที่ฉลาดในวารจิตแห่งตนเนี่ยเออขอโทษิเป็นผู้ที่มีอานาจเหนือจิตจิตไม่มีอานาจเหนือตัวเองได้ผู้ที่มีอานาจเหนือจิตเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไร ผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตเนี่ยจะสามารถตริตรึกเรื่องใดก็ตริตรึกได้ไม่ตริตรึกเรื่องใดก็ไม่ตริตรึกได้ล อ, องคิดดูนะเราบางทีอยากไม่อยากคิดถึงหน้าคนนี้แต่มันกลับคิดคอยากจะคิดถึงเรื่องนั้นแต่มันคิดไม่ออกอา้าวคุณไม่มีอำนาจเหนือจิตถูกมจิตมันสั่งไม่ได้มันใช้งานไม่ได้แต่ว่าคงจะต้องเป็นเรื่องที่ เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามีอํนนานาจเหนือจิตจิตอยากคิดตัวเลข อ, อะไรอย่างเงี้ยก็คืออำนาจเนี่ยเหนือ <c oughs> นจิตเนี่ยเป็นเรื่องของส ม, มาสมาธิค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นส ม, มาสมาธิก็จะไม่มีเรื่องพวกกรารปยาบัติเปลี่ยนแปลงอันนี้คือมีอํนนานาจเหนือจิตของตัวเราเองใช่ไหมคะที่เป็นผู้ทวจนณะแล้อย่างอื่นต่อไปมีไหมคะว่าสามารถจะสั่งได้เลยอยากตรึกเรื่องใดหรือไม่อยากตรึกเรื่องใดก็สามารถทําได้ค่ะ <c oughs> นอกจากนี้มีไหมคะที่เป็นผล จากการฉลาดในวรรจิตคนที่มีสามารถตริรึกเรื่องใดก็ตริตึกได้ไม่ตริตึกเรื่องใดก็ไม่ต้องตริตึกได้เนี่ยจะเป็นผู้ที่สามารถสั่งการงานของจิตได้จิตจะมีพลังตรงนี้สามารถทให้มันสั่งให้มันทำงานตรงไหนก็ได้จิตจะมีอำนาจจิตไงพอมีอำนาจจิตแล้วเนี่ยการงานของเราหน้าที่การงานหรือว่าความสัมพันธ์คนรอบตัวอะไรก็จะดีขึ้นค่ะพ จิตเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นประธานใช่ทั้งหมดจูเหมือนกันนะคะดังนั้นอันนี้เป็นเป็นผลที่เกิดจากความอดทนอันิี้สูงของการอดทนต่อพักษัตวหูจมูกลิ้นกายใจต่หูจมูกลิ้นกายใจท่านที่ฟังรายการอยู่ในใจฉันคิดว่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะคะเพราะว่าเรื่องที่นํามากราบเรียนถามท่านอาจารย์ไพบูลเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องพื้นฐานพื้นฐานที่ใครๆก็เจอ ถ้าถ้ามีเวลาสักหน่อยอาตมาจ ะ, ะยกตัวอย่างอุปมาบกใหมย น, นี้ให้ฟังสมมุติว่าถ้าบ้านใครผู้ฟังรายการมีสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวก็แล้วแต่อาต ม, มาถามอย่างนี้ว่าเอ๊ะทาไมถึงไม่เอาสิงโตรหรือเสือมาเลี้ยงล่ะมันน่ากลัวก็ได้เพราะมันไม่เชื่องเราบอกให้มันซ้ายมันจะกินเราเราบอกให้มันขวามันจะไปขย่ําคนอื่นแต่ว่าสัตว์ป่าเนี่ยเสือหรือสิงโตรหรือสัตว์ป่าก็ดีเนี่ยสมบูรณ์ด้วยกำลังความเร็วความอดทนความต้านทานโลก เสียก็เดียวมันไม่เชื่องจิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราสั่งงานมันไม่ได้เนี่ยใช้การไม่ได้เพราะว่าจิตมีพลังถ้าต่อเมื่อเราสามารถสั่งซ้ายมันซ้ายสั่งขวามันขวาเอาไปใช้งานได้เพราะฉะนั้นจิตจึงต้องฝึกถ้าจากงครับบางคนอาจจะเ ถ, ถ, ะจจะถียงก็าทมันจะสั่งไม่ได้มันก็เรื่องของเรานี่ถูกต้องแล้วก็ถามว่าถ้าไม่อยากคิดถึงหน้าคนนั้นแล้วมันไปคิดเนี่ยสั่งได้ไหม เจอภาษาแบบนี้เราบอกเราจะไม่โกรธหรือเราสามารถเลือกได้ว่าจะโกรธจะนิ่งหรือจะพูดดีคุณเลือกได้ไหมถ้าอย่างนี้ชัดเจนหน่อยว่าไอ้พวกนี้สั่งลําบากเมื่อถึงเวลาทับขันนะคะคือมันจะเกิดเขาเรียกอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยก็คือเป็นไปตามอํานาจของกิเลสเป็นไปตามอํานาจของภาษาที่มาก็คือถูกดึงไปละตาถูกดึงหูถูกดึงอืค่ะ นั่นก็คือหนึ่งตัวอย่างทีนี้หันกลับมาทางตัวอย่างจากคำถามอีกนะคะที่บอกว่าครูบาอาจารย์เคยอุปมาว่าแม้กระทั่งช่างทอหูกคือช่างทอผ้าเนี่ยพิจารณาชีวิตของตัวเองเปรียบกับการทอหูกทอผ้าว่าเส้นได้มันจะหดสั้นลงไปทุกทีสุดท้ายก็เกิดอาการสลดสังเวชรู้ว่าชีวิตตนก็เหมือนกันต้องหดสั้นเข้าทุกทีปัญญาธรรมก็เกิด จน<ช>สำเร็จภูมิธรร ม, อมโอยอย่างงี้นี่สําเร็จภูมิธรรมเลยเหคะก็เพราะว่าอะไรเพราะเขาอาศัยเหตุปัจจัยในการที่ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เกิดจากอะไรเกิดจากความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายของเขาอันเนี้ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เขาน้อมเข้ามาสู่ตัวเขาน้อมอะไรเข้ามาสู่ตัวเขาน้อมการที่เห็นอุปมาอุปไมยในชีวิตว่าเอ๊ะมันก็หดสั้นลงหดสั้นลงเอ๊ะตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันจึงเกิดความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายเป็นเหตุทำให้เขาปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ระดับไหนปล่อยวางได้มากบรรลุธรรมได้มากปล่อยวางได้น้อยก็บรรลุธรรมได้น้อยปล่อยวางได้มากหรือได้น้อยอยู่ที่อะไรอยู่ที่อินทรีย์ของผู้นั้นค่ะอินทรีย์บารมีต้องทำบ่อยๆก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาค่ะต้องมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีสติวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องมีความเพียรวิริยะ วิริยะสติสมาธิปัญญาเจริญสมาธิและปัญญามันจะเกิดนะคะแล้วก็จะสามารถบรรลุทำได้ก็คงจะมีโอกาสบรรลุทมกันทั่วท่วเลยนะคะถ้าหากว่าถ้าจังค่อย่าลืมนะคะมีคำถามอะไรก็กรุณาส่งเข้ามาทางเว็บไซต์ก็ที่ worldwide.dot.pilhamma puredhamma.com/106 mm hmm. คือเลขของสถานีนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 รที่เบอร์โทรศัพท์นี้ด้วยก็ได้นะคะของสถานี 02-269-00-06 ค่ะซึ่งในรายการของเรานี้นะคะต้องการที่จะ ตอบคำถามให้ตรงกับอาสิ่งที่ท่านต้องการเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้ก็คงต้องลากัรไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะน้ำส ก, การขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะและสวัสดี<อ>ท่านฟังคะ่ะ